ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นเรื่องของพระสารีบุตรเทระอีกต่อไปโดยเฉพาะเป็นการขยายความคําว่าปัญญามากคือกรอบของคําว่าปัญญามากนั้น มันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละจนถึงมีปัญญาสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระปัเเกับพุทธเจ้าพระอราหารันในหมู่พระอรหันด้วยกันก็พระสารีบุทนั้นมีปัญญามากจึง ก, ก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าปัญญามากเป็นชนัย คือชื่อว่าปัญญามากเพราะอัตวิเคราะห์ว่ากำหนดอัดใหญ่กำหนดทมใหญ่กำหนดนิรุตใหญ่กำหนดปฏิพานใหญ่คือหมายความมาเต็มที่เองนว่าไวปิปฏิพานก็มีไวปิปฏิพานที่รวดเร็วใครพูดอะไรขึ้นมายังไม่ทันจบประโยค ท่านก็รู้แล้วจะตอบจอ่งไงภาษาเขาจะสื่อสารมาด้วยภาษาอะไรก็ตอบได้ชี้แจงได้อธิบายได้ด้วยภาษานั้นๆคุณสังเกตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยนั้นเป็นเัยแพร่ศาสนาอยู่ในดินแดนชมพูทวีป หลักฐานบางอย่างบอกว่าออกมานอกทวีปนอกชุมพูทวีปก็มีของไทยเราก็มีหลักฐานของพม่าก็มีหลักฐานของลาวก็มีหลักฐานของกะเบนก็มีหลักฐานแต่เราตั้งแถบอินโดนีเซียอะไรต่อะไรต่งตางๆก็มีหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาในประเทศของตน มีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันแต่เรื่องมานานเกินไปไม่มีการจดจารึกไว้ตอรานก็ยืนยันจริงๆก็ค่อนข้างยากเพราะคนปัจจุบันจะไปยืนยันเรื่องอดีตนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกำลังแต่สรุปว่าอย่างน้อยก็เป็นความเชื่อในท้องถิ่นนั้นๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นนิรุตติใหญ่คือภาษาทุกภาษานั้นพูดได้ทั้งหมดพุทธเจ้าสนทนากับเปรตก็ได้กับมนุษย์ก็ได้กับเทวดาชั้นต่างๆก็ได้กับพรุ่งก็ได้นั่นก็แสดงว่าทรงแตกสารในเรื่องของภาษามาก แต่ละข้อนั้นท่านใช้คำว่าใหญ่ด้วยกันหมายความว่ากำหนดอัตถะคือเนื้อหาที่ลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆเช่ น, น, นสมมติว่าอัตถะคือเนื้อหาของคำว่าปัญญาก็มีการอธิบายได้ลึกซึ้ง้วยจนในคำพีอภิธรรม มีการพูดไว้เกือบหน้ากระดาษโดยปยัญญานะต่างกันแต่โดยอัฐะเหมือนกันเพียงแต่บลึกซึ้งแตกต่างกันนั่นก็แสดงว่าอัฐะคือเนื้อหามันใหญ่ทีนี้กำหนดทมใหญ่กำหนดกรอบของธรรมะใหญ่ๆสำคัญๆเช่นเรื่องอริยสัจสีเรื่องปฏิจจสมบาทเป็นต้น หรือนิพานแล้วก็ภาษาที่รอบรู้กว้างขวา ง, วางปฏิบาลไวพริบที่แหลมคมจับป่วยรวดเร็วตัวตอบชี้แจงอธิบายได้อย่างลึกซึ้งแล้วต่อไปก็พูดถึงธรรมขันธรรมขันใหญ่คือธรรมขันเวลาพูดถึงธรรมะเรียกว่าธรรมขัน บางทีเราอาจจะเรียกว่าสาระเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปก่อนที่จะปรินิพานก็สรุปธรรมาที่ทรงแสดง45พรรษาไว้ในมหาปรินิพานในสูตรแต่ตอนนั้นเรียกว่าสาระเป็นธรรมขันธ์ก็คือสีละขันธ์ คือกองแห่งศีลขนาดละเอียดลึกซึ้งจากหยาดจากกลางจากละเอียดจนเข้าถึงจิตใจของท่านเหล่านั้นคือแท น, นที่อาการของศีลจะอยู่ที่กายกับวาิจารแต่ว่าเกิดสะท้อนมาจากใจจนเป็นอัตโนมัติการพูดการทําของท่านเป็นอาการของศีลที่ต่อเนื่อง เพราะว่ามันลังไหลมาจากจิตที่ต่อเนื่องก็สมาธิขันกองแห่งสมาธิที่เข้าถึงอย่างลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนไปถึงโนโ่นแหละจนถึงอรูปฌานที่สแล้วก็ปัญญาขันก็จนถึงปัญญาเครื่องสัจสรูวิมุตติขันก็คือหลุดพ้น อย่างสับพันยุตยานมิมุตินั้นที่จริงท่านเรียงไว้เป็นห้าระดับก็หมายความว่าสามัญชนทั่วไปก็หลุดพ้นได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นกำหนดมิมุติขันใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเป็นพระราหานะคืออย่างหนึ่งที่เราหลุดพ้นได้เช่น เกิดอารมณ์กระตุ้นให้โกรธกระตุ้นให้เกิดกำนัดกระตุ้นให้เกิดให้โลภเราบรรเท่าใดข่มใจไว้ได้หักใจไว้ได้ก็ถือว่าพ้นจากกำนาดของกิเลสในขณะนั้นๆได้แต่ก็กําเริบคือเปลี่ยนแปลงได้วันหลังอาจจะโกรธ ว, วันหลังอาจจะเกิดกำนัดวันหลืองวันหลังอาจจะเกิดโลภ หรือเกิดความเคลาขึ้นมาบางจังหวะก็ทําได้บางจังหวะ ก, ก็ทํากกทไม่ได้อีกระดับหนึ่งเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการเจริญสมาธิซึ่งก็มีหยาบกลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆควหมายความมันหลุดพ้นจากสงบจากกิเลสระยะสั้นๆช่วงยาวขึ้น นานขึ้นแต่ก็กําเริบได้จนถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าบิมุตติคือสมุตเฉถวบิมุตเป็นการหลุดพ้นด้วยตัดขาดตัดขาดนั้นก็มีสองขาดเพื่อตัดขาดเป็นเรื่องเรื่องไป และขาดจริงจะไม่กำเริบขึ้นภายในจิตใจของท่านอีกก็ได้แก่พระญามบุคคลสามประเภทข้างล่างแล้วจัดขาดอย่างสิ้นเชิงก็คือพระอระหันต์พอต่อจากนั้นมันเป็นแม้จะมีแรงอะไรมากระตุ้นจากข้างนอก กระตุนราคากระตุนโลภะกระตุนโทสะกระตุนโมหะอะไรก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวมันไม่มีแล้วก็จนออกจากสังสารทุกสังเสตกิเลสและความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเรียกว่านิสระวิมุตติที่ก็เป็นความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นโดยลาดับ กำห น, นดวิมุตติญาณทัทสนะขัน์คือความรู้ความเห็นในวิมุตต์คล้ายๆกับเรากินอาหารอิ่มเราก็รู้ว่อิ่มเราอ่านหนังสือเข้าใจเราก็รู้ว่าเราอ่านหนังสือเข้าใจเราฟังธรรมะเข้าใจเราก็รู้ว่าฟังธรรมะเข้าใจก็ที่ธรรมสภาเขาเอาอุเทศของอธรรมาไป ลงเป็นซีดีเป็นกล่องขนาดใหญนะ่น่ะกระประมาณร้อยแผน่นทีนแล้วเราก็ตกใจกลัวเขาจะเดือดร้อนคือขายไม่ได้วัก่อนมีเจ้าหน้าที่เขามาหาทิศกุติก็สอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าลงทุนมากๆจ่ากนั้นไม่กลัวขาดทุนเหรอ ขายได้เลยเขาบอกว่าขายได้สบายคนต้องการกันเนยอะพอบอกอธิบายให้ฟังสั่งซื้อกันเลยก็ทำให้ตื่นเต้นว่าเออคนที่กดสนใจจริงๆนี่มันก็มีเยอะเหมือนกันนะเพราะเป็นกรองขนาดใส่คัมภีร์ ถ้าคนไม่ศรัทธาจริงๆไม่มีทรัพย์จริงๆคือต้องมีทั้งทรัพย์ทั้งศรัทธาจึงจะซื้อแต่ก็มีคนซื้อเลยก็หายเป็นห่วงไปแต่เรามองในด้านของคนที่มีทั้งทรัพย์มีทั้งศรัทธาแล้วก็หาประโยชน์จากจากทรัพย์หาประโยชน์จากศรัทธาได้ว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญชื่นชม ของบุคลทั้งหลายก็แสดงว่าใจเขาก็หลุดพ้นจากอย่างน้อยก็ความสจนีนะครับหลุดพ้นจากความไม่เชื่อระดับหนึ่งแต่วิมุตติยานะทัสนาขันเนี่ยขันใหญ่นะฉันใช้คำว่าขันใหญ่อาการของจิตมันเกิด อย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนณสูตรหรือแสดงไว้ในธรรมจั ก, กรกัปปะสูตรที่ยิ่งแสดงไว้เยอะนะฮะแต่ว่าที่ยกประสูตรคุ้นๆเนี่เพราะว่าแต่ละท่านคงได้เคยฟังมาแล้วที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นมิมุติยาณนะทัทสนะนั่นรับสั่งว่ากอเล ย, ยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ชาตินี้เป็นชาตสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีต่อไปความรู้อย่างเนี้ยเป็นบิมุติยานัศนะแต่ว่าเป็นขนาดจิตเดียวนะฮะเป็นขนาดจิตเดียววิมุตปั๊บมันก็เกิดบิมุติยานัศนะแล้วก็ดำรงอยู่อย่างนั้นชัวน่วนิรันดรคือตลอดไปพอเข้าถึงนิพพานที่แท้จริง หรือว่าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ก็ดีหรือว่าพวกปุราณชดินก็ดีที่รับสั่งว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายริยาสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในรูปนายในเวทนานายในสัญญานายในสังขารนายในวิญญาณอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากญาณหรือปัญญา พ่อนายก็คลายกำหนัดก็เริ่มมีมุดละพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นก็เป็นมีมุดละเมื่อจิตพ้นก็คือญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ไอเนี้ยเรียกว่ามีมุติญาณทัศนะและจากนั้นก็รู้ต่อไปตลอดว่าชาติความเกิดสิ้นแล้วปรมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้ว จิตอื่นอีกในทํานองเดียวกันนั้นไม่มีอีกต่อไปนี่ก็คืออาการที่ต่อเนื่องที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ต่อกันไปกําหนดฐานะและอาัถานะใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าฐานะก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้อาัถานะก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เห็ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันเป็นฐานะอยู่แล้วคือต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นแต่การจะให้คนเราเกิดมาแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพลาดพลาดสูญเสียนีย่เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงศาบใดยังมีการเกิดขึ้นก็มีการดํารงอยู่แล้วก็ต้องแตกดับไป เอาเขาจริงก็เรียกว่าเกิดดับเป็นทีเยื้อไปทำไปปัญามันก็สามารถจะไป่ผิดสูตรอะไรได้เรื่อยๆอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นทุกข์าำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอันนี้เป็นฐานะที่จะมีอยู่ได้ แต่ถ้าใครมาบอกว่าทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นสุขแล้วมันเป็นอาถานะณคือเป็นไปไม่ได้เลยคนทำความชั่วจะมีความสุขคนทำความดีจะมีความทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ เ, เรียกเป็นอาถานะณคือเป็นไปไม่ได้กำหนดวิหารสมาบัติใหญ่คือการอยู่ของจิต ที่พัฒนาไปเรื่อยนะฮะจากสมาธิไปรูปประชานรูปประจานก็เรียกว่าขาวสมาบัติแล้วกำหนดอริยสัจใหญ่คือหมายความว่าอริยสัจนั้นให้ลองสังเกตว่ามีการแสดงโดยย่อบางโดยพิสดารบางโดยละเอียดที่ยิบบาง ในสัจจะวิพังกําหนดจําแนกอริยศาสตร์ออกไปโดยละเอียดทีย็บก็เรียกว่าอธิบายทีละคําเลยชาติความเกิดเป็นยังไงชร า, าความแก่เป็นยังไงมรณะความตายเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงความร่ำรวยเป็นยังไงความราพันธ์เป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงโทมนัสเป็นยังไงเนี่ยอธิบายโดยละเอียดแล้วก็แสดงเรื่อยไปในเชิงปฏิบัติ แล้วการรู้เห็นด้วยผลก็การปฏิบัติจนเกิดญาณอย่างรู้ในอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงกาสมบูรณ์ก็เป็นพระหานไปเลยถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็เป็นพระยะชั้นต่างๆลดหลั่งกันขึ้นไปแล้วกำหนดสติปัฏฐานใหญ่ สติปัฏฐานก็คือสมาสตินะฮะในแง่ของความจริงหรือสมาสติแต่ว่ามันเป็นการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลปูเรื่องเดียวในะยาวเยียดเ ว, วลาทรงแสดงก็แสดงอย่างนั้นคือแสดงสั้นๆก็มีสติปัฏฐานเป็นรูปคาถาก็มีเป็นรูปปาถะก็มี รูปสูตรเล็กก็มีเป็นรูปสูตรใหญ่ก็มีปศุยาอย่างมหาสติปัฏฐานในสูตรนี่ที่จริงก็พูด้ดองกายเวทนาจิตทำเดี๋ยวกระทรงอธิบายแต่ละข้อในวิจิตพิสดารเลยนั่นก็แสดงว่าเป็นกำหนดสติปัฏฐานใหญ่กำหนดสัมมปัฏฐานใหญ่ สมาประทานก็คือความเพียรพย า, ายามสี่ประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าสังวรประทานคือเปลี่ยนป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราทางไม่แรงกระตุ้นจากข้างนอกหรือว่านิยวนึกตื่นนึกขึ้นมาจากข้างในก็พยายามเราบัตรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้น ภานาประธานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียนพยายามที่จะลดละบันเทาสงบระงับจนถึงกระดับไปภาวนาประธานเพียนเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตจนถึงกุศลสมบูรณ์อนุรักษณาประธานก็คือเพียรรักษาปริมาณของความชั่วที่ละแล้วไม่เพิ่ม ความดีที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อมก็รักษาทั้งสองอย่างแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งหมายความมาถ้าถ้าเรารักษาผลของความดีไม่ให้ลดลงเนี่ยความชื่อเขาก็ลดลงไปตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของความดีในสุดจิตใจเราก็จะเต็มไปด้วยความดี กำนดอิธิบาทใหญ่อิธิบาทก็มีอยู่สี่ข้อเวลาเรียกในคำภีพิพังในอภิธรรมเนี่ยจะเรียกว่าฉันทะสมาธิปธานสังขารเรียกเต็มอย่างนั้นแต่พอเราเรียนในที่ตัวทั่วไป ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือนอกกวาาที่สมเด็จประมาสํมนาทรงรวบรวมเรียบเรียงเพื่อสอนพระบวชใหม่ก็ประมาณสามเดือนท่านเรียกว่าฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นนั้นวิริยะเพียรพยายามประกอบกระทาในสิ่งนั้นนั้น จิตตาจิตใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นนั้นแล้วอีมังสาการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาไตรตรองมองหาเหตุหาผลในเรื่องนั้นนั้นจนท่นานผู้ฟัแก่สังเกตว่านี้ที่จริงก็คือขายายมาจากอริยสัจอริยสัจใจนั่นแหละแต่ว่าเน้นทีอริยมรรคเพราะงั้น อย่างวิหารสมาบัติที่จริงก็คือสมาสมาธิแล้วก็สติปัฏฐานใหญ่ก็คือสมา ส, สติสมาประทานใหญ่ก็คือสมาวยามะอิจิบาตใหญ่ไอชันทานนั้นเป็นสมาสังกปะวุริยาเป็นสมาวยามสติจิตะเป็นสมา ส, สติมีมังสาเป็น สมาธิสติสมาสังกัปปะแล้วกําหนดอินทรีย์ใหญ่อินทรีย์นั่นก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็คู่กับพระนะชื่อเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่คําข้างหลังหรือถ้าศรัทธาถ้าถ้าอินทรีย์ท่านจะเรียกว่าสัตทินทีวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญินทรีย์ แต่าภะละท่านก็เรียกว่าศรัทธาภรละวิ ร, ยริยะภละสติภรละสมาธิภะละปัญญาภะละสรุปว่าที่เป็นอินทรีย์นั้นคือเอากำราบกิเลสได้เรียบร้อยแล้วนีจิตเป็นของของตนแต่ว่าภะละนั้นเป็นการต่อสู้กันระหว่างอากุศลกับกุศลเดีวยววากุศลก็เพิ่มขึ้น แล้วก็สยบอำนาจของกุศลเหล่านั้นเอาไว้ได้พอสยบไปได้มันก็กลายเป็นอินทรีย์ก็คือกันเนี่ยจต่อเนื่องกันคือสถานนั้นจะทําหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อความเครีอดแครงสงสัยแล้วก็จนไปถึงขจัดพวกปัญหาพวกโลภะพวกโทสะ ปุริยะก็ทำหน้าที่กระจัดความเกียร์ครานเขาเรียกว่ามหาโกสัชชะคือความเกียรครานขนาดหนักสติก็ทำหนา้าที่ขจัดสติสัมโมสาคือความลงลืมเละเือนมื่ลอยของสติสมาธิก็ทำหน้าที่กระจัดจิตตะวิเคปะคือความฟุ้งซ่านสั้นสายของจิตปัญญาก็ทำหน้าที่กขจัดโมหะ ตอนแ ร, แรกก็แน่นอนและสักกะเยือ่สู้กันไปสู้กันมาแพ้บ้างชนะบ้างคือถ้าเราสังเกตได้ดีว่าจิตใจเราก็ต่อสู้กันอยู่ทุกคืนทุกวันแม้แต่หลับบางทียังต่อสู้กันอยู่เลยเป็นสนามรบขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันเลิกราค์ดาบใดที่ยังไม่สามารถจะพิชิตได้แต่าสามารถจะพิชิตฝ่ายอกุศลได้ก็สักกะเยือ่กันไปเรื่อย เพียงแต่ว่าถ้าปฏิบัติทัตนาจิตประนีตขึ้นประนีดขึ้นเนี่ยมันมีพลังในการป้องกันในการขจัดบาประกุศลต่างๆให้เรากำลังลงคือลดความเข้มข้นลดความรุนแรงลงแล้วก็ก้าวไปสู่ชัยชนะในจิตสุ เพราะั้นเราจะเห็นว่าเมื่อก็เป็นนิรศรีเนี่ยสงบสรุปว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่สงสัยเขาไม่เกียดคร้านเขาไม่เผลอเร่อไม่หลงลืมไม่ปั้งพลาดเขาไม่ฟุ้งซ่านชัดสายเด็เขาก็มีเหตุมีผลในการครองชีวิตในการดรำรงชีวิต โดยการต่อไปก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงก็ก็คืออริยมรรคศรัทธาก็เป็นสมาสังกัปะบุริยาก็เป็นสมาวิยามาสติก็เป็นสมาสติสมาธิก็เป็นสมาสมาธิปัญญาก็เป็นสมาธิติสมาสังกัปะพระห้าก็เหมือนกันแต่โนดโพชงใหญ่ โพชฌงก็คือองค์ธรรมเจ็ดประการที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ศัสรู้ธรรมโดยเสด็จรอ ย, อยุพลบาทของพระพุทธเจ้าเรียกเต็มๆนะเรียกเต็มๆว่าสติสัมโพชฌงแปลว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจส ร, รสู้ธรรมคือสติธรรมวิจัยาสัมโพชฌง องธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจสรุธรรมคือการวิจัยธรรมวิริยะสัมโพชสรงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจสรุธรรมโดยเสด็จรอยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าคือวิริยะปิติสัมโพสรงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ บรรลุธรรมคือปิติปสัสสติสัโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้บรรลุธรรมคือปสัสสติความสงบกายสงบจิตสมาธิสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้สัตสุรุธรรมก็คือสมาธิอุเบขาสัมโพชฌงค์ องธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าคืออุเบกขาส่วนในแง่ของความเป็นจริงแล้วพวกนี้ก็คืออริยมรรคในองแบบประการสมาสติแต่ไมยะสติสัมโพชฌงก็คือสมาสติธรรมะวิจยสัมโพชฌงก็คือสมาธิติสมาสังกปะวิยะสัมโพชฌงก็คือสมารยมามะ ปติปัสสธิสมาชิอุเบคาสี่ข้อเป็นองค์ฌานก็คือสม า, สมาธิเราสรุปว่าเรื่องใหญ่ๆที่นำมาเน้นย้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของอริมัก็นองค์แปประการหรือว่าไซสิกาแต่ว่าไซสิกาแทนที่ท่านจะแสดงแค่สามข้อท่านแสดงห้าข้อ โดยใช้ชื่อคามาทำรรมคันคือสีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิพุติขันวิมุตนะิญาณทัศนาขันแต่แต่ละข้อนี่ก็เติมคำว่าใหญ่ใหญ่ใ ห, ใ ห, ให่เข้าไปกำหนดอารยมรคใหญ่อันนี้ก็หมายความาโอดิมเต็มทั้ง8ปดข้อคือสมาธิติปัญญาหินชอบ สมาสังกปะดำริชอบสมาวจาการงานชอบสมากรรมันตะประพฤตชอบสมาวจาเจรจาชอบสมากรรมันตะการงานหรือความประพฤตชอบสมาวาาจีวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบสมาวิยามะความพยายามชอบสมาสติ ทั้งสติชอบสมาสมาธิการทั้งใจบันชอบกันหนดสามัญเยผลใหญ่สามัญย่ยผลคือผลที่เกิดขึ้นจากการการบวชนะฮะจริงๆก็คือการเว้นบาปหมายความมันยกระดับคนขึ้นไปเรื่อยๆระดับคนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระราหัน เขเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมณะก็คือผู้สงบคือเรามองในแง่สากลเราก็จะเห็นว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งคารวะก็สามารถที่จะเข้าถึงสามัญญผลคือความสงบจากบาปได้ดดวยกันเท่านั้นแต่การต่อไปก็คือกาหนดอภิญญาใหญ่อภิญญานั้นก็คือผล ที่มาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปตามหลักของเนี่ยธรรมะลราเนี่ยที่สรุปรวมเป็นอริมรคเปองแปดประการมันก็เกิดเป็นอภิญญาคือความรู้อันยิ่งขึ้นก็มีหกประการเดียกันแต่เป็นโลกิยาค ก, ก็มีห้าตโลกุตระก็มีหก ก็คือหนึ่งหนึ่งมนโนมยิทธิมีริ์ในทางใจตัวอยู่ในที่หนึ่งแต่สามารถปรากฏอีกรูปหนึ่งในที่หนึ่งได้หรืออาจจะหลายรูปในที่อื่นได้ก็เรียกว่าไปด้วยการิดแต่มีอวัยวะครบสมบูรณ์เหมือนกันผู้จาประสัยได้เรียบร้อยกนไม่รู้ก็คือไม่รู้ ปฏิจริงนี้เป็นรูปที่สําเร็จด้วยใจส่วนรู ป, ปรกายนั้นก็อยู่อีกที่หนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดตัวองคุลิมาเนี่ยเรเียนว่าระยะทางห่างกันสามสิบโยศระหว่างพระเชตวันกับที่ไปโปรดองคุลิมา แต่ปรากฏว่าไปเสด็จไปตอนเช้าสายๆขึ้นมานิดหนึ่งก็กลับแล้วไปได้ยังไงมาได้ยังไงสามสิบโยชน์ก็แสดงว่าไปด้วยมโนโมยิทธิกลับมาด้วยมโนโมยิทธิพระองค์ลิมานยังนั่นยังไม่ไเป็นพร ะ, ะบุคคลหรอกตอนนั้นแต่ว่าอาศัยมโนโมยิทธิของพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็สามารถนำมาได้ตัวอย่างกรณีที่พระพุทธเจ้านำพระนนไปชมนางอับสรทั้งหลายในสวงสวรรค์พระนรินก็เป็นพระปุถุชนพระพเจ้าก็นำไปด้วยจิตดือดกายชิดจะเรีย บ, โบโมโนมโนเปยึดทิแล้วก็อิทธิพิธิคือแสดงฤทธิ์อันนี้ไปด้วยกาย หมายความาเดินไปในในน้ำแทกไปในด 14, ินเดินในบนน้ำแทกไปในดินห่อลอยไปในอากาศแทกไปในระหว่างภูเขาก็ทำสิ่งที่มีไม่ให้มีทำสิ่งที่ไม่มีให้มีสารภาพร้อยสีพัญญยาเขาเรียกว่าเป็นอิทธิวิสัยวิสัยของท่านผู้มีฤทธ เราคิดเราเองไม่ได้เพราะจิตเราไม่ถึงขั้นนั้นจะไปคิดเทียบเทียงไม่ได้แต่เราก็สามารถจะมองตัวอย่างในเรื่องบางเรื่องเช่นการศึกษาความรู้ลึกซึ้งในธรณีวิทยาเดี๋ยวคนที่เดินใน แม่น้ำทะเลที่เป็นน้ำแข็งเป็นต้นเนี่ยก็เทียบเทียงได้คือหมายความว่าน้ำตรงนั้นแหละในจุดอื่นมันก็เป็นน้ำแต่ว่าจุดนั้นมันเป็นดินก็โดยอปโปกสินคือเพ่งอปโปกสินเป็นพัตวีกะสินก็เป็นคุณสมบัตะเฉพาะของท่านที่โสมคือหูจิต สามารถกำหนดจิตเพื่อจะฟังเสียงในที่ไกลในที่ใกล้หยาบละเอียดจนถึงก็เสียงทิพย์เสียงมนุษย์เสียงสัตว์ชาวบ้านได้ยินได้แต่สามารถไม่ให้ได้ยินก็ได้เจโตปริยานรู้ใจถ่ายใจเข้าใจสภาวะทางใจของคนอื่นในขณะนั้นนั้นปัจจคนนี้ในขณะ น, นี้ประกอบด้วยกุศลหรือกุศลอย่างไง มีความเข้มข้นหยาบลางละเอียดประนีตงเนี่ยที่จกขู่ดตาชิบสามารถที่จะรู้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้แล้วราษกชาติก่อนไดู้เ้เพนวังสาติยาฤาษชาติก่อนได้สวัสยาน คือประญานที่เกิดผุดขึ้นแล้วทาาวําอาสวะให้หมดไปจากจิตใจนี่ก็เป็นอภิญญ า, าใหญ่กําหนดนิพพานนั้นใหญ่คือนิพพานนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากความสมบูรณ์แห่งอริยมรรคยุคแปประการที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทําให้เกิดยานผุดขึ้นก็เรียกว่าสาาัมมาญาณคือความรู้ในทางจิตชอบ มันเกิดผุดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในริยาส์ ต, ตามความเป็นจริงด้วยญาณสามประการขันแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ว่าชาติความเกิดเป็นต้นเป็นทุกข์ตัณหาทั้งหลายเป็นต้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์การดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงเป็น การดับแห่งทุกข์และสมาธิจิตเป็นต้นก็เป็นมรรควิจีที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ประการต่อไปรู้ภารกิจที่จะต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อว่าทุกคนกําหนดรู้ไว้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ สมุทัยต้องละต้องสงบต้องระ ง, งับต้องดับนิโรดนั้นไม่เป็นเป้าหมายคล้ายๆกับหายอยากโรคแหละคือเราไม่ต้องทำอะไรกับกับความหายความหายมันเป็นผลจากการเยี่ยวยารักษาพอยาทํางานเต็มที่ขจัดรากเงาวของโรคได้หมดสิ้นความสบายมันก็เกิดมันเกิดเอง โดยอาศัยผลจากการเยียวยารักษาอย่าว่าเกิดผุดขึ้นมาเองแล้วก็มัดเป็นข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแล้วเกิดยานผุดขึ้นมาว่าทุกที่ควรกาหนดรู้เราได้กาหนดรู้แล้วสมวไทยที่ควรละเราได้ละแล้ว โรษที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรกที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วเพื่อการบรรลุมรดนิพานเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือกรอบของคำว่ามีปัญญามากปูกปัญญามีปัญญามาก หรือมหามาติก็ในบาลีนั้นท่านก็เรียกว่ามีปัญญามากเป็นมหาปัญญาก็มีปัญญามากเอาก็จริงเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าปัญญาที่มากเนี่ยคือการครองชีวิตไปบนเส้นทางของอริยมรรคมิงองเปรประการ พนชาวพุดธเราอย่างน้อยที่สุดี่ได้สมาวจาสมากรมรมตะสมาชีวะสามข้อเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีปัญญามากพะคนเป็นนั้นมากอย่างละเมิดหมดเลยทั้งสาข้อเนี่ยละเมิดหมดเลยผิดชินหมดเลยทั้งสามข้อสมาวจาก็รักษาไว้ไม่ได้สมากรมรมตะ ก็รักษาไว้ไม่ได้สมาชีวะก็รักษาไว้ไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณของปัญญาที่บุคคลเหล่านั้นมีเนี่ยไม่มากพอที่จะคุ้มครองกายกับวาจาไปได้ปัญญาเข้าไปอยู่นเรื่องหึ่ง ในเรื่องการหักล้างการต่อสู้การประทุษร้ายกันการใช้เล่ห์เหลี่ยมการใช้ตะกะโตอตอบถกเถียงกันหลบประเด็นของปัญหาที่มันเป็นปัญหาแล้วไปพูดในประเด็นอื่นกว่าในลักษณะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอันนี้ที่จริงเป็นความโงเ่เขลา เพราอะไรพราะทไปแล้วมันเพิ่มปริมาณของกิเลส ข, ขึ้นเพิ่มปริมาณกิเลสได้เกิดสูงขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจแล้วไม่รู้วันไหนเราจะตายอนะตายไปก็ตายไปโดยโมหะตายไปโดยโมหะจากคนเนี่กลายเป็นสัตว์ดิบชานิอันเชดายภพชาตินะครับ กูซาสร้างสมบรมมาเป็นเวลานานต้องการทุกตกแต่งพบชาติให้มันมีความประนีตขึ้นแต่ก็ทำตนให้ตกต่ำคือทำจิตให้มันต่ำบางทีเราก็ดูข่าวต่างๆดูสอนวิ่ง ตัวเราเราจะเห็นว่ามันเป็นการโฆษณาค่อนข้างจะชวนเชื่อแล้วในข้อความเรานั้นนะมีทั้งสามสี่ประโยชต์มัหักล้างกันเองโดยไม่เข้าใจว่ามันหักล้างกันถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าปัญญาไม่มากมองไม่ละเอียด เรียกว่าพูดเราแต่ได้แต่ถ้าว่าเราได้ใช้ปัญญาโดยเหตุดยผลกันจริงๆก็จะมากไปด้วยเหตุผลแล้วก็ยุติด้วยโคมตดคงผลประการต่อไปก็คือปัญญากว้างขวางแต่ตั้งปัญหาถามว่าปัญญากว้างขวางเป็นฉไหน คือชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะอัตวิเคราะห์ว่ายานเป็นไปในขันต่างๆมากท่าต่างๆมากอายตนาต่างๆมากในปฏิจจสมบาทต่างๆมากก็หมายความว่ารู้ในแนวเดิมนั่นแหละมีปัญญามากกับปัญญากว้างขวางก็คือรู้ในแนวเดิม ่นขันเราจะเห็นว่าขันในที่นี้หมายถึงรู ป, ปากายนะหมายถึงชีวิตก็คือรูปเวทนาสัญญาทังขาดวิญญาณแต่รูปเองพอแยกขึ้นเูเยอะพอแยกขึ้นก็ไปเยอะเวทนาก็แยกไปได้เป็นร้อยแปเวทนาสัญญาก็อุสารพัดเลย สิ่งที่เราจำเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนับไม่ได้อะนับไม่ได้กรรังก็บอกว่าสมรรถภาพความจำของมนุษย์เนี่ยสามารถจำคนได้ไม่เกินพันห้ารอยคนอันี้ก็ยังไม่พิสูจน์ทดสอบนะแต่มาเองมีความรู้สึ ก, กว่าตัวเองไม่ครบ พันห้ารอยพรเรารู้จักคนน้อยโอกาสที่จะสนทนาวิสาสะพูดจาปราศัยกับคนสนทนากับคนเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็นั่งบนธรรมะนั่งบนเก้าอี้นั่งบนยืนบนสแตนไปล้เข้าไปในที่ประชุมเราก็เข้าทางด้านหลัง คนก็นั่งอยู่ด้านหน้าเขาก็เข้ามาทางด้านหน้าไปถึงเขาก็ให้พูดเลยให้พูดเลยให้เทศเลยให้ปาถกถาเลยแล้วเราก็ออกทางด้านหลังเขาก็ออกทางด้านหน้าอย่างที่วัดประวรนิเวศวิหารวันเสาร์วั น, อ, วนอาทิตย์นิเทศมาสามสิบกว่าปีแล้วนะ แต่ไม่รู้จักคนเกินยี่สิบคนหรือเปล่าไม่เกินเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเวลาคุยเลยพอจบก็ห้าโมงกว่าแล้วต้องรีบกลับมาฉันปฏิหารเศรษวันอาทิตย์ที่จริงมันไปอยู่ที่สี่โมงกว่า แต่เราเทศจบแล้วนายโยมยังสวดอะไรอยู่เยอะเราก็ต้องกลับเราไม่มีโอกาสคุยกันเหมือนกั น, นการไปมาหาสููอะไรการสนทนาเนี่ยเราไม่เคยมีเราก็จำใคร ไ, ได้ก็เรียกรวมไปเป็นไงโยมไปไหนมาโยมแต่ถามว่าโยมชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นี่ก็แสดงว่า กรอกของสัญญาเราจาเนี่ยจาไม่มากจําคนเนี่ยจาไม่ได้มากแต่ก็ทีดีหนึงทีดีอย่างหนึ่งนี่คือกับธรรมะไม่ค่อยหลืมแต่ถ้ากับคนแเ้าก็คิดหลืมทั้งฝั่งท่าไหลายเสียงธรรมจากมาวิจัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี